พระโพธิสัตว์ได้สดับพระดํารัสของพระราชาแล้วกลั่นทุกขเวทนาเป็นอันมากบ้วนโลหิตแล้วกล่าวคาถาว่ามารดาบิดาของข้าพระองค์ตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงท่านเหล่านั้นอยู่ในป่าใหญ่ข้าพระองค์นำน้ำมาเพื่อท่านทั้งสองนั้นจึงมาแม่น้ำมิขะสัมมตาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเลี้ยงพระรามิความว่า นำมูลและพลาผลเป็นต้นมาเลี้ยงดูก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็บนรำพันปรารบมานดาบิดากล่าวว่าอาหารของมานดาบิดานั้นยังพอมีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของท่านทั้งสองนั้นจะดำรงอยู่ราวหกวันท่านทั้งสองนั้นตามืดเกรงจะตายเสียเพราะไม่ได้ดื่มน้ํา ความทุกข์เพราะถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศร น, นี้หาเป็นความทุกข์ของข้าพระองค์นักไหมเพราะความทุกข์นี้อันบุรุษจะต้องได้ประสบความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นมารดาบิดาเป็นความทุกข์ของข้าพระองค์ยิ่งกว่าความทุกข์เพราะถูกพระองค์ยิงด้วยลูกศร น, นี้เสียอีกมารดาบิดาทั้งสองนั้นเป็นคนกำพร้าเข็งใจจะร้องไห้อยู่ตลอดราตรีนาน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 พราะข้าพระองค์ไม่ได้เห็นท่านทั้งสองผู้จักสุบอร์ดข้าพระองค์เห็นจักละเสียซึ้นชีวิตบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าอาหารอุสามั ต, ตังได้แก่พอเป็นอาหารได้ยินว่าคําว่าอุสาเป็นชื่อของโภชนาหารความว่ามารดาบิดาทั้งสองนั้นยังมีโภชนาหาร คำว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของท่านทั้งสองนั้นจกดำรงอยู่ราวหกวันอถะสาหั ส, สะชีวิตตังความว่ามีชีวิตอยู่ได้ประมาณหกวันพระมหาสัตว์กล่าวคํานี้หมายถึงผลาผลที่นํามาเก็บไว้อีกอย่างหนึ่งคําว่าอุสาได้แก่ไออุ่นด้วยคํานั้นพระมหาสัตว์แสดงความนี้ว่า ในร่างกายของมารดาบิดาทั้งสองนั้นพอมีไออุ่นอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จกมีชีวิตอยู่ได้หกวันด้วยพลาผลที่ข้าพระองค์นํามาคําว่าจะตายมริสเรได้แก่จากตายข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ความทุกข์เพราะถูกพระองค์ยิงนี้ถึงเป็นความทุกข์ก็จริงแต่ไม่เป็นความทุกข์แก่ข้าพระองค์ เพราะเหตุไรจึงกล่าวอย่างนี้คําว่าอันบุรุษปุโมนาได้แก่อันบุรุ ษ, รษความว่าความทุกข์เห็นปานนั้นนี้อันบุรุษพึงได้ประสบทั้งนั้นก็เพราะความทุกข์ที่ข้าพระองค์ไม่ได้เห็นคุณแม่ปาริการนั้นเป็นความทุกข์แก่ข้าพระองค์ยิ่งกว่าความทุกข์เพราะถูกพระองค์ยิงนี้ร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าข้อว่า จักร้องไห้ตลอดราตรีนานจิรังรัตตายะรุจติความว่าจักร้องไห้หลายราตรีคำว่าในกึ่งราตรีอัฏรัตเตได้แก่ในสมัยกึ่งราตรีคำว่าหรือในที่สุดราตรีรัตเตวาได้แก่ในสุดท้ายราตรี คำว่าจักเหือดแห้งไปอวสุดสติได้แก่จักเหือดแห้งอธิบายว่าจักเหือดแห้งไปเหมือนแม่น้ำน้อยในฤดูร้อนคำว่ามันนวดมือและเท้าอุทานปาทจริยายะความว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ถ้าพระองค์ลุกขึ้นคืนละสองสามครั้งหรือวันละสองสามครั้ง ปฏิบัติรับใช้มารดาบิดาทั้งสองนั้นนวดมือเท้าของท่านทั้งสองนั้นด้วยความหมั่นเพียรของข้าพระองค์บัดนี้ท่านทั้งสองผู้มีจักสุมืดนั้นไม่เห็นข้าพระองค์จักลุกขึ้นเพื่อต้องการการปฏิบัตินั้นนั้นจักบนรำพันว่าข้อสามะข้อสามะจักถูกน้ําตําเอาเที่ยวไปในหิมะวันตะประเทศนี้ คำว่าที่สองทุติยังความว่าลูกศรคือความโศกเพราะไม่ได้เห็นมารดาบิดาทั้งสองนั้นซึ่งเป็นความทุกข์ที่สองนี้เป็นความทุกข์กว่าถูกลูกศรอาบยาพิษญิงเอาครั้งแรกร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าพระราชาทรงฟังความคร่ําครวญของพระโพธิสัตว์ทรงคิดว่า บุรุษนี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติมารดาบิดาเยี่ยมยอดบัดนี้ได้ความทุกข์ถึงเพียงนี้ยังคร่ำครวญถึงมารดาบิดาเราได้ทำความผิดในบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอย่างนี้เราควรเล้าโลมเอาใจบุรุษนี้อย่างไรดีเนอแล้วทรงสันนิฐานว่าในเวลาที่เราตกนรก ราชสมบัติจะทําอะไรได้เราจะปฏิบัติมารดาบิดาของบุรุษนี้โดยทํานองที่บุรุษนี้ปฏิบัติแล้วการตายของบุรุษนี้จักเป็นเหมือนไม่ตายด้วยประการชนี้จึงตรัสว่าแนสามะผู้เห็นกัละยาณธรรมท่านอย่าคร่องครวนมากเลยเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลป์เรื่องลือกันในชมพูทวีปทั้งสิ้นว่า เป็นผู้แม่นยำนักเราจักทางานเลี้ยงดูบิดามารดาของท่านนั้นในป่าใหญ่เราจักแสวงหาของอันเป็นเดนของหมู่มรึกและมูลพลาหารป่ามาทําการงานเลี้ยงมารดาบิดาของท่านในป่าใหญ่แนสามะป่าที่มารดาบิดาของท่านอยู่อยู่ที่ไหนเราจักเลี้ยงมารดาบิดาของท่านให้เหมือนท่านเลี้ยง บรรดาคําเหล่านั้นคํ า, ค ว, าว่ า, าจักเลี้ยงพฤสันเตความว่าเราจะเลี้ยงบิดามารดาของท่านเหล่านั้นคําว่ามรึกมิคานังได้แก่ราชสีเสือโครงเสือเหลืองและเนื้อเป็นต้นคําว่าสแสวงหาของอันเป็นเดนมิคาสัมันเวสังความว่าสแสวงหาคือเสาะหาซึ่งอาหาร พระราชาตรัสว่าเราเป็นผู้ฉลาดในธนูศิลจักข้ามารึกอ้วนอ้วนเลี้ยงมารดาบิดาของท่านด้วยมังสะอันอร่อยดังนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่พระองค์อย่าทำการฆ่าสัตว์เพราะเหตุพวกข้าพระองค์เลยดังนี้จึงตรัสคำอย่างนี้คำว่าเหมือนท่านยะถาเต ความว่าท่านได้เลี้ยงท่านทั้งสองนั้นอย่างใดแม้ข้าพเจ้าก็จะเลี้ยงท่านทั้งสองนั้นอย่างนั้นเหมือนกัน